พระราชานี่ป่วยมากเต็มทีและอมาตก็เลยคิดว่าบัดนี้พระราชาพราะองค์นี้ไม่รอดแน่นะตายแน่ดูที่แม้ไปบีไปนวดกันใหญ่เลยเกือบตายแล้วดูละเอาเถอะพวกเราจะสแสวงหาที่พึ่งแห่งตนนะไปหาคนอื่นเป็นเจ้านายดีกว่าบางทีเจ้านายองค์นี้จะตายแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาวอนนะ์ไปหานายใหม่ดีกว่าไปหาพระราชาองค์ใหม่ไปสู่ราชสํานักของพระราชาองค์อื่นก็ทูลขอกำนับํารุงอมาร์กเหล่านั้นก็บํารงอยู่นะราชสํานักเหล่านั้นก็ไม่ได้อะไรอะไรเลย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 มีปัญญามุ่งแต่ประโยชน์ตนไนม่ต้องการนะครัเรียกว่าอัตตะปัญญาเนี่ยแต่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรจริงๆงนะคือเห็นแต่แค่ปากแค่ท้องแค่นั้นแหละคบหาสมาคมมิตรผู้หาได้ยากในทุกวันนี้มีเพราะเหตุนะมีเพราะเหตุประโยชน์บอกว่าคบหามันจะเอาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมันเจอเราเนี่ยถ้าเรายังพอให้ประโยชน์มันได้มันก็อยู่พอเราทําท่าเหมือนไม่ให้ประโยชน์มันมันก็นี้ไปอย่างเงี้ยนะ โอไปคนเดียวเดีวกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรนพอพอพวกนี้คือเราว่าบทว่าอะพัชัชันติความว่าแอบเข้าไปนั่งใกล้ด้วยร่างกายเสวันติก็คือย่อมบำเรอ ด, ด้วยอัญชลีกรรมเป็นต้นด้วยความเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะแหมเข้าทำท่าไปนั่งใกล้คอยยกมือท่วมหัวคอยกราบคอยไหวแต่ว่าเพราะว่ายังมีประโยชน์กันร้องเลยนะเห็นทำท่าจะหมดประโยชน์ก็เลยแผ่นนี้กันไปหมดนะ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 เมื่อมิตรมีปัญหาถึงความหวาดสะดุง้งตกใจกลัวมีเรื่องเรียกว่าหวาดหวั่นท่านเพลงมีภัยรอบด้านขึ้นมามิตรก็จะเป็นที่พํานักให้อะนะเป็นคําว่าที่พํานักพักพิงให้ก็คือช่วยให้อบอุ่นใจช่วยให้สบายใจช่วยเรียกว่าแนะนําประโยชน์ให้อะนะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ก็ช่วยเหลือเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียกว่าเป็นที่พักพิงของมิตรผู้กลัวได้เนี่นะเมื่อความกลัวสะดุง้งตกใจก็ เป็นที่ปรึกษาแนะนำบอกกล่าวทั้งหมดให้ได้อย่างที่สี่เมื่อการณีารณยากิจเกิดขึ้นก็เพิ่มพวกข้ัพย์ให้มากกว่าที่เขาออกปากขอเช่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยนะ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 คนอื่นให้รู้เธอว่าคนที่คอยตามลําเลิกบุญคนกับผู้อื่นนั้นเป็นคนที่ที่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาเกลียดค่อนข้างเกลียดสูงมากเลยนะนั้นก็ให้คิดว่าเออมิดมิดแท้เนี่ยเป็นลักษณะมิตรที่มีมีอุปการะเนี่ยดูจากลักษณะ4ประการว่า1ช่วยรักษาเขาผู้ประมาทไหมสองอรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทไหมส3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 แพร่พรายไปกระจายให้เกิดความเสียหายหแก่มิตรไม่ทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายเนี่ยถ้าก็มีปัญหามีเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเช่นว่าพวกอมัดเนี่ยไม่ใช่มิตรแท้ใช่ไหมมิตรปรหวังนั้นอย่างเดียวก็เลยพระราชาป่วยและเพนเลยนะยามป่วยยามไข่ ก, ก็ถ้าไม่เห็นใจกันตอนป่วยก็ไม่รู้ไปรอเห็นใจกันตอนไหนเป็นต้นก็เลยแสดงว่าครบไม่ได้บวช ด, ดีกว่านะสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์แท้แม้แต่ชีวิตก็สลักเพื่อประโยชน์แก่มิตรได้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 อะไรมั่งที่จะทำให้มิดไม่สบายใจเนี่ยคนเราเนียจะไม่จะค่อนข้างรักษาป้องกันไม่ต้องการให้มิดได้รับความทุกข์ต้องการให้มิดพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมิดตกยากยากจนก็ไม่ดีใจคือคือเสียใจนะถ้าเพื่อนได้ดิดได้ดีก็ดีใจเพราะฉะนั้นใครที่ติเตียนมิรก็ต้องคุยกันหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชมเชยสรรเสริญใครก็ได้ที่ชมเพื่อนเราดี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 เรียกว่าผู้อนุเคราะห์ก็คือผู้มีใจกรุณาแก่เราอะนะส่วนมิตรผู้บอกประโยชน์โดยมากก็เป็นสมณะพราหมณ์ผู้ผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลเป็นต้นท่า น, นก็บอกว่าแหมมิตรเหล่านี้หายากแท้ในยุคนี้เขาว่าไงปัญญาของมนุษย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในตนมนุษย์เหล่านั้นเห็นแต่แก่ประโยชน์ตนเท่านั้นไม่เห็นแก่คนอื่นเรียกว่าพวกนี้มุ่งประโยชน์ตน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 เพราะว่าเป็นมนุษย์ผู้ไม่สะอาดคือผู้ที่ไม่สะอาดคืออะไรคือคนที่มีกายกรรมไม่สะอาดวจีกรรมไม่สะอาดมีมโนกรรมไม่สะอาดทําปานาติบาตอันไม่สะอาดทําอธินาทานอันไม่สะอาดประพฤติกาเมสุมิฉาจารอันไม่สะอาดมีมุสาวาจอันไม่สะอาดมีปิสุนาวาจาส่อเสียที่ไม่สะอาดพุทธวาจาพูดคำหยาบอันไม่สะอาดสัมผัสปลาปะเพเชฌ์ที่ไม่สะอาดอภิชฌาอันไม่สะอาดพยาบาทอันไม่สะอาด มิจฉาทิฏฐิอันไม่สะอาดเจตนาอันไม่สะอาดคือเรียกว่าเจตนาที่เป็นบาปนะความปรารถนาะความต้องการที่ไม่สะอาดความตั้งใจที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สะอาดคนที่ไม่สะอาดเนี่ยเป็นคนเลวแล้วก็เลวลงต่าตาําซ้ำต่ําช้าลามกชั่วช้าชาติชั่วแม้คำนี้หนักมากนะแต่ท่านว่าท่านพิมพ์อย่างนั้นจริงๆชาติชั่วแปล ว, ว่าการเกิดของท่านไม่ได้ดีแล้วการเกิดผิ ด, ดเกิดพลาดเกิดเสียหายมากแนละ้ว เรว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญามุ่งประเยชตนคิดเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวไม่สนใจใครเลยเหมือนอามมัดเหล่านั้นใช่ไหมแมพอเจ้านายป่วยแล้วก็เพ่นกันเนบหมดนะพอเจ้านายหายป่วยพอจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงนายกลับมาต่อแล้วถ้าอย่างนี้ก็โอ้ห่างๆไว้หน่อยดี บวชดีกว่านะก็เลยบอกพระปเจก็บวชแล้วบรรลุเป็นพระปเจกเลยบอกว่ามิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงจะคบหาสมาคมด้วยมิตรในวันนี้เนี่ยนะมิตรทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะมิตรมิตรอะไรมิตรประเภทไหนมิตรที่มีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์มิตรที่มีใจอนุเคราะห์เราแท้เนี่ยหาได้ยากแท้มนุษย์ทั้งหลายมีแต่ปัญญา มีปัญญาขี้จะเอาแต่ประโยชน์ตนเท่านั้นโดยมากเป็นคนไม่สะอาดทางกายวาจาและใจล่วงอกุศลกรรม บ, บทเป็นต้นเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะท่านก็ข้อความในคัคคาวิสานสูตรนี้ก็จบลงเพราะในพูดถึงว่าพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประพฤตททิเทววิสเที่ยวไปเนี่ยนะจริยาเาจเรนะเจเรเนี่ยนะี่ยก็คือจริยาเนี่ยแหละท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติประโยชน์ ตัวเองได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคือคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ที่เรียกว่าอรหั ต, ตผลพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่ากับประพฤติประโยชน์แก่โลกตามสมควรตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นจริงอยู่ว่าท่านสอนผู้อื่นในอริยสัจให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่จะบรรลุ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 หรือแม้กระทั่งว่าพระอนุรุทธะเนี่ยพร ะ, ระเจกพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์นีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพร ะ, ะพระอนุรุทธะเนี่ยเกิดมาในตระกูลคนยากจนอาชีพเกียยเก่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าขายเ น, ยนะเกี่ยวหญ้าขายไปวันวันหนึ่งยากจนมากก็เลยเรียกว่านอนายันณภาระเนี่ยนะทุกยากได้ยากมากนายอ น, นะภาระเนี่ยจริงแล้วเนี่ยอดีต ท, ท่านสั่งสมบูรณ์มาแสนกับก็จริงแต่ว่าในสังสารวัตรนะมันก็ ขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆอย่างว่าก็เลยไปเกิดเป็นคนเกี่ยวายากมีวันหนึ่งเนี่ยพระประเจกกับพระเจ้าเนี่ยก็มุ่งจะสงเคราะห์พระอนุรุทธะก็เลยไปบินธบัตใ ห, ให้ให้นายอนณนะภาระเนี่ยอดีตชาติของพระอนุรุทธะเนี่ยฟัง เ, เห็นพระอนุรุทธะเห็นแล้วก็มีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็มาคิดว่าเราเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอดีตเราไม่ได้ทําบุญมาพอ หรือไม่ได้ทําบุญมาดีเราจึงเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากก็ <d> เลยบอกว่า <d> นิมนท์ท่านรออยู่ตรงนี้สักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูอาหารที่บ้านก่อนว่ามีหรือเปล่า <d> จนเรียกว่าหาเช้ากินข้ามเลยนะหาเช้ากินขํามไม่รู้ว่าเมียมีเข้าวสารหุงเอาไว้ให้เผื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่านิมนท์ยืนรอหน่อยนะแต่พระประเจ ก, ก็รู้แหละทีนี้ท่านก็ไปที่บ้านบอกว่านี่เธออาหารของส่วนของฉันเนี่ยมีบ้างไหมเราจะมีเขาก็มีแบ่งอาหารเป็นสองส่วนส่วนของสามีส่วนของภรรยาเนี่ยนะ ถ้าเขาแบ่งไว้สองส่วนภริยาจะทานก่อนก็ได้จะรอทานร่วมกันก็ได้ก็จะแบ่งไว้แหละนี่ถ้าหากว่ามีธุระก็แบ่งเอาส่วนของตนไป น, นายอนนาพาระก็ไปถามภริยาก็บอกว่ามีนายกรรย์เร่วิ่งไปกรับบาตจากพระประเจกับผู้เฒ่เจ้าอันนะั้นก็คือดีใจนะปกติเคยมีอาหารแต่ก็ไม่มีผู้รับบางทีมีผู้รับแต่ก็ไม่มีอาหารบางที ศรัทธ า, ามีอยู่นะแต่ว่าไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งผู้รับไม่รู้จะเอาอะไรมาทําบุญว่าน้นคือบางช่วงเนี่ยอาหารมีอยู่ของจะทําบุญมีอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปทํากับใครบางช่วงผู้รับก็มีเต้มไปหมดแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทําศรัทธาก็มีอยู่นะบางทีศรัทธาก็มีอยู่ไม่มีไม้กระทั่งของที่จะให้ไม่มีทั้งผู้รับขณะนี้เป็นลาบของเราแลนะ้วเนาะข้าวของเราก็มีพระป Lee, ระเจกพระพุทธเจ้าก็มีก็เลยดีใจมากก็เลยไปเอาอาหารใส่บาตรหมดเล อาหารมาเปรียดใส่บาถ้าประเจดก็จะรับแต่ครึ่งเดียวนะทางบอกไม่ยอมมาจะให้ต้องถวายทั้งหมดเพราะว่าเป็นอาหารที่บริโภคได้แต่เพียงผู้เดียวก็เลยตั้งทาบุญและตั้งความปรารถนาว่าแม้ชาตินี้เกิดมาเนี่ยนะแสดงว่าสนทนากับภรรยาเนี่ยคาที่คุยกันมากที่สุดก็คือคําว่าไม่มีเธ อ, อ น, นั้นมีไหมไม่ไ ม, ม, มีอย่างเงี้ยนะเมียนี่ไหมนนไม่ไ ม, มีก็เกิดมาได้ยินแต่คําว่าไม่มีมันคําว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินเลยต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องได้ยินและคำนี้เท่านั้น ก็เบ well, so ื่อฟังเต็มทีเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะในชนนบทบางแห่งหลายๆแห่งที่เราคุยกันเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็มีแต่คําว่าไม่มีทั้งปีเลยนะก็สะสมความเครียดไว้เท่าไหร่นั่นที่จริงเนี่ยไอ้การพูดคําว่าไม่เนี่ยไม่ได้มีคนพูดด้วยความสุขนะคําว่าไม่นี่โดยมากพูดด้วยโทสะแต่ถ้าคําว่าได้หรือมีเนี่ยค่อนข้างด้วยความสบายใจแต่คําว่าไม่ไม่ไม่ไม่วันหนึ่งถ้าคิดคําว่าไม่สักครึ่งวันนัวันนั้นจะเครียดที่สุดเลยอะไรก็ช่างแต่นั้นสะสมคําว่าไม่เนี่ยไม่ด มันก็คําว่าไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยฟังแล้วมันทุกทุกคนพูดก็ทุกคนฟังก็เครียดเนี่ยนะเช่นบอกขอความช่วยเหลือบอกไม่ยังไงนะคนฟังนี่เป็นยังไงบ้างคนขอเครียดเลยนะไอคนที่ให้ก็ไม่ใช่พูดอย่างมีความสุขสงาพาเผยนะพูดแบบแหมก็ตั้งว่าตัวอบบเขามีนักวิจัยบางท่านกขาล่าให้ฟังว่าคําว่าพูดคําว่าไม่เนี่ยนะกล้ามเนื้อมันหดหมดเลยเพราะงั้นมันเกร็งมากเลยมันหดตั้ง เอาทัาทำให้กล้ามเนื้อมันหดแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสุขภาพจะเป็นยังไงนั้นคําว่าไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ๆเดี๋ยวว่าถ้าเกิดลําไส้มันหดบ้างมากๆเข้าอะไรจะเกิดขึ้นท้องไส้กําเริบเปื้อนปนเปื้อนไปหมดเนี่ยนะว่าสุขภาพไม่ดีเพราะนั้นคนที่จริงๆอะคำว่าไม่ถ้าอยู่ในใจเราเมื่อใดให้รู้ว่าโดยมากโทสะเนี่ยนะโดยมากโทสะและโดยมากความโกรธจะกําเริบขึ้นนะคำว่าไม่ไม่ๆม่เนี่ยนะท่านก็ก็เลยบอกทําบุญเนี่ยคำว่าไม่ไม่ต้องได้ยินแล้วต่อไปเนี่ยนะ โดยเฉพาะคําว่าไม่มีเนี่ยนะไม่มีนี่ไม่ต้องได้ยินแล้วเช่นไปขอความช่วยเหลือใครก็บอกว่าไม่ท่านก็ไม่ต้องได้ยินและคําเหล่านี้หรือว่าเออโน้นมีไหมนี่มีไหมไอ้คำว่าไม่ไม่ต้องได้ยินแล้วท่านก็บุญที่ท่านทํากับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าชาตินั้นหลังจากนั้นท่านก็สบายเพราะทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมให้ผลท่านก็อยู่เป็นสุขนะนะโดยมากผ่านรุธะก็เกิดเป็นพระเท้าศักกะหรือเป็นพระอิน น, นะนะ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 จากพาะประท่าเจกับพุทธเจ้าเพราะในอดีตท่านเกิดเป็นพรานนกเนี่ยนะชอบชอบไปดักบ่วงนกเนี่ยแล้วใส่แล้วนกบ่วงนกเนี่ยได้ น, นกมาก็ถอนถอ น, ถอ น, ถ, อนถอนขนเสร็จแล้วก็ทีนี้ไอ้ชามชนบทที่ไม่มีตู้เย็นนี่ก็ทำไงฆ่าก็ตายก็หักปีกหักขาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะก็เอามาวางขายเมื่อเมื่อไม่กี่เมื่อเดือนก่อนโอน้นเห็นภาพภาพหนึ่งที่ชาวเวียดนามเนี่ยนะ ชอบขายนกเหมือนกันถอนขนนกแล้วก็มาหักแขนขาแล้วก็มัดไพล่หลังวางข้างทางขายเนี่ยนะคล้ายๆก็ขายกบนะเหมือนกบในกะละมั่งเหมือนอะไรแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นอะ่ะตอนนี้เป็นนกพระปุตติคตาเนี่ยอาชีพเขาก็คือพานนกเนี่ยนะก็คือกัดจับนกขายนะคายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปเนี่ยนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปเห็นพระประเจกับพรธเจ้าก็เลยปรุงอาหารที่ตัวเองทําด้วยนกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ แบ่งอาหารนั้นไปถวายพระประเจกกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ทำใดก็ขอให้ได้รู้ทำนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ด้วยบุญอนั้นต์ตอนหลังอนัชชาสุดท้ายท่านก็มีหูร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าปูติเนี่ยแปล ว, ว่าเน่าคัตตาเราร่างกายไม่ร่างกายเน่าไปทั้งตัวเฟะไปทั้งตัวหมดเลยก็คือร่างกายที่เราเน่ามันกระดูกมาเนี่ยนะแทบจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมมจิรังวัตยังกายโยปทวิงอาทิเศสติก็กบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานบอกว่ากรรมที่ทําให้เจ็บป่วยนะก็เพราะว่าเคยเป็นพรานนกเนี่ยนะเป็นพรานนกถอนขนนกเป็นต้นทําให้ร่างกายเนี่ยเน่าหักขานกกระดูกก็ผุกูก็หักเป็นต้นแล้วก็ส่วนบุญที่ได้ทํากับพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าตั้งความปรารถนาบุญที่ใส่บาตรอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย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 ไม่ใช่ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้โดยสิ้นเชิงแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระราชาที่สามารถจะสงเคราะห์ผู้ใดก็ได้นะนะและมีความพาสุขตลอดชีวิตต่อไปก็ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ฉันนั้นส่วนบุคคลอื่นพผ้รหัน์ทั่วๆไปพระปเจกับพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์บุคคลอื่นได้ตามสมควรเดี๋ยวพักสักครู่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งชักชวนให้พระภิกษุน้อมน้อมบูชาพระปเจกับพระพุทธเจ้าซึ่งพระปเจกับพระพุทธเจ้าก็คือ ปูชนียะบุคคลบุคคลที่ควรกราบไหว้เดี๋ยวจะค่อยสักครู่ก่อนจนพักก่อน